จเจริญสุขท่านนักศึกษาและสาธุชนทั้งหลายวันนี้ก็ถึงประวัติของพระภิกษุผู้เป็นชดินสามพี่น้องด้วยกันก็คือประวัติของท่านพระอุรุเวรกสปะเถระนทีพระนทีกสปะเถระและก็พระขยากสปะเถระ ทั้งสามองค์อทั้งสามองค์นี้เป็นพี่น้องกันและประวัติของท่านก็เกี่ยวเนื่องกันดังนั้นก็จะได้นํามาบรรยายไปพร้อมๆกันคือรวมกันไปเลยเพราะประวัติท่านของท่านนั้นก็เกี่ยวเนื่องไม่ค่ยมีอะไรแปกกันพระเจดินทั้งสามพี่น้องนี้ก็คื อ, อพระอรุเวและกัสปะพระพนัทีกัสปะและพระขยากัสปะเถระนี้ ทั้งหมดนี้เป็นพี่น้องร่วมสายโลหิตเดียวกันมีบิดาเดียวกันมารดาเดียวกันใ น, ในชาติภูมินั้นก็เกิดในสกูลพง์พรามเกิดในสกุลของพรามแห่งกัตสปโคตรคือในโคตรแห่งกัตย์หรือว่านามสกุลกษัตสปะนั่นเอง กสปะก่อนที่พระศ า, าสดาจะอุบัติขึ้นทั้งสามพี่น้องนี้ประชาชนเรียกกันตามโคตวรว่ากสะปะเหมือนเหมือนกันหมดคือชาวชมพูทวีปหรือประเทศอินเดียนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นคนชาวเอเชียก็ตามแต่ก็มีบางสิ่งบางอย่างนั้น คล้ายคนแถบยุโรปเช่นการเรียกชื่อเป็นต้นนิยมเรียกชื่อโคดคือนามสกุลมากกว่าเรียกชื่อตัวเองแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันไม่มีบุคคลใดที่จะเรียกว่าเจ้าชายศิริถักโดยมากเรียกกันว่าเรียกชื่อโคดว่าโคดมทางนั้นคือเกิดในโคตมโคด แม้แต่สามพี่น้องผู้นี้ก็เช่นเดียวกันเกิดในตระกูลแห่งพรามณ์กัสปะโคดคนเขาก็เรียกกันกัสปะกัสปะด้วยกันหมดทั้งสามคนทั้งสามพี่น้องนี้เมื่อเจริญเติบวัยเติบใหญ่ขึ้นมาแล้วก็ได้ศึกษาจนจบไตรเพศตามลทัทธิของพรามไตรเพสนี้ก็คือเวสสามประการก็ได้แก่ลึกคูเวส สามเวทและยะชุระเวทเป็นต้นและและยะชุระเวทดังที่ได้กล่าวไว้แล้วผู้พี่ชายใหญ่ก็คือกัสปะผู้เป็นพี่ชายใหญ่นั้นมีมานุเป็นบริวารถึงห้าร้อยคนคนกลางคือกัสปะคนกลางนั้นมี มนกเป็นบริวารถึงสามร้อยคนและกัสปะคนน้องน้อยมีมนกเป็นบริวารถึงสองร้อยคนอยู่ต่อมาพี่ชายใหญ่คือกัสปะผู้เป็นผู้พี่นั้นได้มาพิจารณาถึงรัฐิของตนแล้วเห็นว่าไม่มีอะไรเป็นแกนสาร คือตามลัทีของพราหมณ์เนี่ยที่ตนเองได้ประพฤติปฏิบัติมาเนี่ยไม่มีอะไรเป็นสาระไม่มีอะไรเกิดเป็นแกนสารก็จึงได้ละทิง้งลัทิตามความเชื่อถือของตอนเองพาน้องชายพร้อมทั้งสองคนพร้อมด้วยบริวารเนี่ยออกบทออกบทเป็นชฉดินคือพดดนนี้เป็นนักบทประเภทหนึ่งที่ไม่ปลอ n ผมไม่ปลอ n หนวด ไม่โกนผมไม่โกนหนวดแล้วก็ห่มผ้าประเภทที่ว่าห่มผ้าหนังเสือว่ผมแล้วก็แอมไว้ผมไว้หนวดผมนี้ก็กล้าวเป็นกระเซิงขึ้นไปบนศรีรษะเพราะฉะนั้นนักบวชผู้นี้เป็นผู้ที่มีผมและหนวดครา ล, ลุงลังเขาจึงได้เรียกกันว่าชดินก็เพราะเหตุที่ว่ามีชดา ก็คือช ด, ดานี้ก็ไม่ใช่อะไรก็คือผมนั่นเองผมที่เก้าวหมวดขึ้นไปเป็นเสิงหรือเป็นเซิร์ที่สูงขึ้นบนทิศตะนั่นเองที่เราเรียกกันว่าช ด, ดานาช ด, ดานี้ก็แปลว่าสิ่งที่ลบลุงลังนั่นเองไม่ใช่ว่าเป็นพวกประเภทที่ว่าต้องนําเอาเอ า, เอาสิ่งอื่นที่ทําเป็นช ด, ดานแล้วมาสวมแบบลิเกหรือแบบละครอย่างนั้นแต่นี่ช ด, ดานของเขาก็คือวมวยผมนั่นเอง แต่ตามที่ภาษานิยมที่คนไทยเรานิยมเรียกนักบทประเภทนี้ว่าลืสีแต่ความจริงแล้วคำว่าลือศีนี้เป็นคำ ก, กลางๆหมายถึงว่าเรียกนักบททั่วไปเพราะว่าคำว่าลือศรีนี้มาจากศัพภาษาบาลีว่าอิสิหรืออิสีแปลว่าผู้แสวงหาซึ่งคุณอันยิ่งใหญ่ก็คือนักบทนักบททุประเภท รวมเรียกแล้วว่าเป็นพวกลือศีทั้งนะั้นแม้แต่ว่านักบวชในพุทธศาสนาก็สามารถที่จะใช้คำว่าลือีได้ลือศีนี่เป็นภาษาสันสกฤตแต่ว่าเรานิยมเรียกกันว่านักบวชประเภทที่ไม่โลอมผมปลองหนวดทําผมเป็นกระเซิงเป็นเส้นนี้เรานิยมเรียกกันว่าเป็นลือศรีและชะลินทั้งสามพี่น้องนี้ก็แยกกันอยู่ แยกกันอยู่โดยการถือว่าเมื่อบวชเป็นชนินแล้วก็ถือการบำเ พ, พ็ญพจนโดยการบูชาเพลิงหรือที่เรียกว่าบูชาไฟทั้งสามพี่น้องนี้มีบริวารด้วยกันทั้งนั้นก็ตั้งอาสมแยกกันอยู่ไม่ได้รวมกันกระสปะผู้พี่ชายใหญ่นั้นตั้งอาสมอยู่ที่ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม อันเป็นเว้นแคว้นแห่งมคตทลั์เพราะฉะนั้นจึงได้ชื่อตามสถานที่ของตัวเองตั้งโดยที่ว่าอุรุเวลาเสนานิคมนั้นคำว่าอุรุเวลาก็เป็นชื่อนำนชื่อนาชื่อของกัสปะผู้พิว่าอุรุเวระกัสปะได้ชื่อตามสถานที่ถ้าเราจะพูดกันง่ายๆก็คือว่า กัตปิยผู้อยู่ณนะที่ตำบลอุรุเวลาเสนานิคมส่วนน้องชายคนกลางนั้นตั้งอาสมอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำคือที่ริมฝั่งแม่น้ำในลันชลานั่นเองก็เลยได้ชื่อตามสถานที่ตัวเองได้ตั้งตั้งอาสมอยู่ว่านาทีกัตริยนทีนี่แปลว่าแม่น้ำ เพราะฉะนั้นกษัสระผู้นี้ตั้งอาสมอยู่ริมแม่น้ำฝั่งแม่น้ำเนลัญชลาก็จึงได้มีชื่ออย่างนั้นว่ากษัตริผู้ตั้งผู้อยู่ณริมฝั่งแม่น้ำส่วนน้องชายคนเล็กคือพระฤาษีที่เป็นน้องน้อยที่สุดนั้นตั้งอาสมอยู่ที่หัวโค้งแม่น้ำ หัวโคงแม่น้ำแห่งแม่นะแห่งจังหวัดตัวจังหวัดขยาก็เลยได้ตั้งแอนอยู่ที่ริมแม่น้ำที่หัวโค้งแห่งแม่แห่งจังหวัดขยะนั่นก็จึงได้ชื่อตามสถานที่อยู่ของตัวเองว่าขยาศรีสักขยากัษปะก็คือว่ากัสปะผู้ตั้งอยู่ที่หัวโคงแห่ง จังหวัดขยาหรือแห่งแม่น้ำขยานนั่นเองทั้งสามพี่น้องนี้จึงไม่ได้ชื่อต่างกันเมื่อออกบทเป็นฉดินเพราะได้ชื่อตามสถานที่ดังได้กล่าวมาแล้วเหมือนกับคนคนไทยเราก็เช่นเดียวกันคนอยู่จังหวัดเพชรบุรีก็บอกว่าคนเมืองเพชรคนอยู่จังหวัดน่านก็บอกว่าคนเมืองน่านเหล่านี้เป็นต้น กจะดินสามพี่น้องนี้ก้อในทํานองนี้ได้ชื่อเช่นนั้นตามสถานที่ที่ตัวเองได้อยู่ได้ถือบองเพนพศ ด, ด้วยการบูชาไฟหรือว่าการบูชาเพลิงเป็นลําดับมาแต่ละคนละคนนั้นก็มีบริวารั้งตัวเองได้บําเพนพศกันอ่ามาตลอดครั้นเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุท ธ, ธเจ้า ได้ทรงส่งพระสาวกไปประกาศศาสนาแล้วแมในขณะที่พระองค์ทรงประชุมพระสาวกพระองค์ก็ได้ตรัสว่าพระองค์จะไปยังปุรุเวลาเสนานิคมเพื่อประกาศพระศาสนาเมื่อพระองค์ได้ทรงส่งพระสาวกไปแล้วพระองค์ก็ได้พิจารณาถึงความสมบูรณ์แห่งอุปนิสัยของชนชาวมคตเป็นอันมาก และมีพระพุทธประสงค์ที่จะทรงประดิษฐานพระพุทธศาสนาขึ้นณนแว่นแขวนนี้และก็ทรงพุทธดิมลิอีกประการหนึ่งก็คือว่าเพื่อจะเปรื่องปฏิญญาของพระเจ้าพิมพิสารซึ่งพระเจ้าพิมพิสารนั้นในขณะที่พบพระองค์ที่ทรงอธิษฐานเพศบรรพชาใหม่ๆนั้นได้มาพบกับพระองค์ที่เชิงแห่งภูเขาอูอ่า เชิงแห่งภูเขาปันดวะได้ชักชวนให้พระองค์นั้นในฐานะเป็นอธิษฐาปุพพสหายคือสหายซึ่งไม่เคยเห็นหน้ากันเลยให้ครองราชสมบัติอยู่ด้วยกันโดยที่จะแบ่งสมบัติให้ครองครึ่งหนึ่งแต่พระองค์ก็ทรงขอพระไทยแล้วก็เปิดเผยความประสงค์ของตอนเองว่าต้องการที่จ ะ, สะแสวงหาโมฆะธรรมเป็นเครื่องพ้นคือธรรมะเป็นเครื่องพ้น จากความเกิดแก่เจ็บตายพระเจ้าพิมพิสารก็จึงได้ขอปฏิญญาอนุโมทนาและก็จึงได้ขอปฏิญญาว่าถ้าหาพระองค์ได้ทรงบรรลุแล้วโปรดได้กลับมาโปรดโยมบ้างเพื่อจะเปลือป้องปฏิญาของพระเจ้าพิมพิสารนี่แหละพระองค์ก็ดำริกขึ้นผู้มีพุทธะดำลกว่าแนแว่นแคว้นมคต ในปัจจุบันนี้ท่านอุรุเวละกสปะนี้เป็นที่นับถือของประชาชนเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นการที่พระองค์จะเสด็จตรงไปโปรดพระเจ้าพิมพิสารหรือเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่กรุงราชคลึ้เลยนั้นรู้สึกว่าผลจะได้น้อยควรที่จะนำเอาอาจารย์ซึ่งเป็นคนที่ประชาชนชาวแว่นแควนมกธรทลัฐนี้เลื่อมใสซะก่อน ก็คือท่านอุรุเวลากรสปะผูพพ้นี้ในขณะนี้ยังเป็นที่เลื่อมใสของประชาชนเบลมากนำให้นำมาซะก่อนนำมาเป็นพยานหรือว่าทรมานให้เป็นลูกศิษย์ซะก่อนเพื่อจะเป็นการที่จะเผยแผ่พุทธศาสนาหรือคำสอนนี้ได้ง่ายขึ้นดังนั้นเมื่อพระองค์ทรงพุทธสมบริเช่นนี้แล้วจึงได้เสด็จตรงไปที่ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม โดยผ่านกรุงมรกรธรดไปเสียในระหว่างทางนั้นพระองค์ก็ได้เสด็จแวะที่ไรไฟแห่งหนึ่งซึ่งไรไฟายแห่งนี้พระองค์ก็ได้ทรงพบพัทวคีกุมารสามสิบคนด้วยกันพัทวคีกุมารสามสิบคนนี้ที่ได้ชื่อพัทวคีกุพัทวคีนี้ก็เพราะเหตุที่ว่า มานบน้อยพวกนี้กุมารทั้งหลายเหล่านี้สามสิบคนนั้นเป็นผู้ที่มีรูปร่างหน้าตาสะสวยเป็นที่เจริญตาและเจริญใจก็จึงเขาประชาชนทั้งหลายจึงได้ชื่อว่าพัทวัคีแปลว่าหมู่พวกที่เป็นที่เจริญตาเจริญใจหรือว่าเป็นผู้ที่มีความเจริญด้วยรูปนะมีความเจริญด้วยรูปร่างหน้าตา พัทวะคีกุมารทั้งสาสบคนนี้ตามคำตามหลักฐานได้ปรากฏว่าเป็นชาวเมืองสาวัตถีหรือเป็นคนเ ช, ชาวแคลนโกสนซึ่งมีพระราชบิดาพระองค์เดียวกันกันกบพระเจ้าประสเนธิโกสลแต่ว่าต่างมานากนได้พา ได้ได้พาคูดครองของตัวเองมาพักามาเสด็จพักเพื่อหาความสำราญที่ไร่ฝ่ายแห่งนี้แต่ในบรรดาพัทวัคคีทั้งสามสิบท่านนั้นสามกุมารทั้งสามสิบท่านนั้นมีพัทวัคคีกุมารองหนึ่งซึ่งยังไม่มีภรรยาเสร็จแล้วพัทวัคคีทุกคนยี่สิบเก้าท่านนั้น มีพัญญาเด้กันทางนั้นตนเองก็เลยไปจ้างเอาหญิงคณิกาคนหนึ่งมาให้พัทวัค่ีมาเพื่อเป็นเช่ามาเป็นเพื่อเป็นคู่ครองของตัวเองในการที่จะหาความสำารัจตามวัยของหนุ่งสาวแต่ว่าหญิงคณิกาผู้นี้ตนเองนั้นหวังในทรัพย์คอยจ้องมองอยู่เรื่อยว่า คอยจ้องหาโอกาสอยู่เล่อยว่าพวกพัทวคีกุมารและก็พัญญานี้จะเผลอเมื่อไรเพราะในขณะที่กำลังหาความสำราญเล่นละเลงกันอยู่นั้นทุกคนก็ได้ได้สอดได้ได้ถอดเครื่องประดับของตัวเองวางกองไว้เมื่อนางธนิการนี้คอยกำหนดดูเห็นว่าพัทวคีทั้งสามสิบและพัญญานนี้เผลอก็จึงได้ แอบลักเอาห่อผันดาหรือสิ่งเครื่องประดับนั้นหนีไปเสียพระตวคีเหล่านั้นเห็นว่านางคณิกาหายไปก็จึงได้คน อ, อ่านจึงได้ตามหาก็รู้ว่าทรัพย์สมบัติของตนเองเครื่องประดับอันมีค่านั้นก็ได้หายไปด้วยก็เที่ยวได้ติดตามก็จึงมาพบองค์ทุเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าประทับอยู่ใต้ต้นไม้แห่งหนึ่งก็จึงได้เข้าไปแล้วก็ทรงทูลถามว่า พระองค์นะ่าเห็นหญิงผ่านมาทางนี้บ้างไหมพระองค์ก็ได้ถามเหตุการณ์ว่าเป็นเหตุเพราะอันใดพัทวัคีทั้งสามสิบนี้ก็จึงได้เล่าเหตุการณ์ให้ฟังพระองค์ก็จึงตรัสว่าเธอนั้นพวกเธอนั้นจะสแสวงหาตนดีกว่าหรือว่าจะสแสวงหาหญิงปรากฏว่าพัทวัคคีทั้งสามสิท่านนี้ก็จึงได้บอกว่าสแสวงหาตนนั้นดีกว่าดังนั้นพระองค์ก็จึง ทรงแสดงพระธรรมเทศนาปลด <c oughs> โดยทรงแสดงเบื้องต้นนั้นก็คือได้ทรงแสดงอนุปุปภีกถาห้าประการและก็ได้แสดงอริยสัจสี่ประการดังที่เคยแสดงมาแล้วแก่พยาสะเป็นต้น <c oughs> เมื่อจบพระธรรมเทศนาแล้วปรากฏว่าพัทวกขีทั้งสามสิบองค์นั้นได้บรรลุมรรคผลนิพพาน ท่านกล่าวว่าผู้ที่ได้รับได้บรรลุมรรคผลนิพพานสูงสุดก็เป็นพระอนาคามีที่ต่ำสุดก็เป็นพระโสดาบันไม่มีผู้ใดเลยที่จะไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานดังนั้นเมื่อจบพระธรรมเทศนาและพัทวคีนี้ก็จึงได้ทูลขอบุพระองค์ก็ประทานอุปสมบทให้ด้วยเอหิพิกุปสมะทาแล้วพระองค์ก็ทรงไปประกาศพศาสนาสำหรับในข้อนี้จะเห็นได้ว่า ตอนที่พระองค์ทรงส่ ง, ส ง, สงพระสาวกหกสิบรูปไปประกาศครั้งแรกนั้นพระสาวกทั้งหมดนั้นเป็นพระอาหารหันต์หมดแต่ครั้งนี้ยังไม่มีผูพัทธวกีภิกษุทั้งสามสิบนี้ยังไม่มีผู้ใดเป็นพระอาหารหันต์เลยแต่ก็คงจะเป็นที่พระองค์มีพระประสงค์จะเสด็จไปยังอุรุเวลาเสนาณิค ม, มากกว่าจึงยังไม่ได้อยู่ที่จะสั่งสอนอบรมให้ พัทธวคีพิสุเหล่านี้สําเร็จมรรคผลนิพพานขั้นสูงได้ส่งไปประกาศศาสนาเลยทีเดียวแต่ก็เป็นที่น่าสังเกตว่าครั้งแรกที่พระองค์ทรงไปประกาศศาสนานั้นพระองค์ไม่ให้ไปทางเดียวกับสององค์ให้แยกกันไปทางองค์แต่ครั้งนี้พระองค์ทรงส่งทั้งสามสิบ ท, ท่านนี้โดยที่ไม่ได้ตัดว่าให้แยกทางกันเพราะฉะนั้นพัทธวคีทั้งสามสิบท่านนี้ก็ไปกันเป็นกลุ่ม คือไปกันทั้งสามสิบองเลยเมื่อพระองค์ได้ทรงไปส่งไปประกาศศาสนาแล้วพระองค์ก็เสด็จดำเนินต่อไปจนถึงอุรุเวลาเสนานิคมไปจนถึงสำนักของกัสปะผู้พี่คืออุรุเวลกัสปะไปจนถึงสำนักตรงไปที่สำนักของอุรุเวลกัสปะแล้วก็พระองค์ก็ออกพร ะ, ะตรัส ขอสำนักอาศัยอยู่ด้วยอุรุเวลกัสปะนั้นไม่ได้เต็มใจที่จะรับเพราะเหตุที่ว่าเป็นนักบวชเหมือนกันแต่ว่าเป็นนักบวช ค, ค, คนละคนคนลัทติไม่เต็มใจที่จะรับโดยการพูดบ่ายเบี่ยงนานาประการองค์สมเดจพะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ตรัสว่าธรรมดานั้นฝูงนกก็ยังเข้าไปในสู่ฝูงนก ฝูงกวางก็ย่อมเข้าไปอาศัยอยู่ในฝูงกวางเพราะฉะนั้นเราทั้งเราทั้งคู่เราทั้งหลายนี่ก็เป็นนักบวชเพราะฉะนั้นนักบวชก็ย่อมเข้าไปสู่มูแข่งนักบวชอุรเวลากาสปะนั้นไม่สามารถที่จะบ่ายเบี่ยงได้ก็จำเป็นต้องรับแต่ได้กล่าวกับพระพุทธองค์ว่าสถานที่ไม่มีมีสถานที่แห่งหนึ่งนั้นก็คือโรงบูชาไฟ องสมเด็จพระสเดัมม า, ส, ม า, ส, ส, มมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ไม่ลังเกียจแม้แต่ในโรงบูชาไฟพระองค์ก็สามารถที่จะพักได้ขอให้อุรุเวลักสัปะเนี้รับให้พักอาศัยเถิดอุรุเวลักสัปะก็จึงได้กล่าวว่าในโรงบูชาไฟนั้นมีนาคอยู่ตนหนึ่งมีนาคอยู่ตัวหนึ่งนาคตัว น, นี้เนี่ยเป็นนาคที่ดุร้ายมาก กลัวว่าจะเป็นอันตรายต่อพระองค์พระพุทธองค์ก็จึงได้ตรัสว่าพระองค์ไม่ตรุกไม่กลัวดังนั้นเมื่ออุลุเวลากรสปะไม่สามารถที่จะบายเบียงแล้วก็จำเป็นให้พระองค์นั่งพักอยู่ที่โลงบูชาไฟในค่มคืนวันนั้นเองเมื่อพระองค์ได้เสด็จพักอยู่ที่โลงบูชาไฟนั้นหน้าภูนั้น เป็นหน้าที่ดุร้ายเมื่อเห็นมีบุคคลมาพักด้วยก็โกรธก็จึงได้แสดงลิธเดดออกม า, าต่างโดยแนนดับแรกนั้นก็ได้พ่นเป็นควันพิษออกมามองคตุณเ็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็เข้าวายโยกสินแล้วก็ทำบงผผังหวนควันสู้กับพญานาะ พญานาคนั้นเมื่อพ่นเป็นควันพิษออกมาไม่สามารถที่จะทำลายพระองค์ได้ก็จึงได้พ่นเป็นไฟพิษออกมาองค์สมเด็จพระสมัมมาสัมพุทธเจา้าพระองค์ก็เสด็จเข้าเ ต, า โ, ตโชกสินบางหวนเป็นไฟพิษออกมาสู้กับนาคเหมือนกันท่านกล่าวว่าในค่ำคืนวันนั้นพระองค์ได้แสดงอภินญหารโดยสู้กับพญานาคโดยการ บางหวนเป็นไฟพิษขึ้นมานั้นปรากฏว่าลงบูชาเพลิงนั้นโพล่ไปด้วยแสงไฟพวกชะดินทั้งหลายได้เห็นเขาแล้วก็มีความคิดว่าน่าสงสารพระสมณะโคดมซึ่งเป็นผู้ที่มีรูปร่างงามสวยงามแต่ต้องมา พี่นาฏไปด้วยพิษของพญานาคเสียแล้วแต่ก็ไม่สามารถที่จะมาดูได้ในเวลากลืนพอในวันตุลุงขึ้นเช้าในคืนนั้นองคตุเดชพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงทรมานนาคนั้นจนกระทั่งหมดพยศก็จึงได้จับอนนาคนั้นขดไว้ในบัตรในรุ่งขึ้นเช้าพู้ชนินทั้งหลายเข้าใจว่าองคตุเดชพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นถึงแก่ ที่น่าจะแล้วด้วยอำนาจของวญญาณก็จึงมาดูแต่ก็เห็นว่าพระองค์นั้นกําลังนั่งอยู่ประทับนั่งอยู่ก็จึงได้เข้าไปหาถามว่าพระองค์นั้นไม่ได้ถูกน้าทําลายอะไรหรือพระองค์ก็ึงจึงได้แสดงหน้าให้ดูซึ่งพระองค์ขดไว้ใบัติอุรุเวลกัสปะได้เห็นอภินิหารเช่นนั้นก็จึงออกปากชมองค์ุณพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าว่าเป็นผู้มีความสามารถ เก่งกาจมากมีอิทธิฤทธิ์มากสามารถที่ปราบพญานาคได้แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังหาเป็นพระรหันต์เช่นกับเราไม่อุรุเวลกัสปัชมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าว่าเป็นผู้มีอภินิหารแต่ก็ยังสู้ตนไม่ได้ตอนที่ไม่ได้เป็นพระรหันต์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้านี้ทรงแสดงอิทธิปาฏิหาร ให้อุรุเวรักสาปะและก็พวกชน ด, ดินทั้งหลายเนี่ยได้เห็นเป็นจํานวนมากท่านบอกว่าถึง 2,000 กว่าอย่างหรือ 2,500 กว่าอย่างทั้งๆอย่างนั้นอุรุเวรักสาปะนี้ก็ชมทุกครั้งว่าองค์ทุเดชพระสัมมาอะพระสมณะโคโดมผู้นี้มีอภินิหารมากแต่ก็ยังสู้เราไม่ได้คือยังเป็นพระอาหารหันต์สู้เราไม่ได้ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คิดดูแล้วว่าอุรุเวลกัสปะนี้ยังดื้อดึงถือตอนเองว่าเป็นสมณะอีกควรที่เราจะให้สลบสังเวชดังนั้นพระองค์ก็จึงได้ตรัสแก่อุรุเวลกัสปะว่าดูก่อนอุรุเวลกัสปะเธอนะ่ะไม่ใช่เป็นพระอาหารหันตะ์แล้วการดำเนินหรือปฏิปทาของเธอนั้นก็ไม่ใช่ปฏิปทาที่จะ ดำเนินไปสู่ความเป็นพระอรหันด้วยอุรุเวลกัสปะได้ฟังพระดำรัสเช่นนี้แล้วก็เกิดความสังเวชสลดใจละมานะได้เข้าไปกราบทบี่พระบาทของพระองค์ทูลขอบทองค์ุมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ตรัสว่าเธอนั้นเป็นผู้ที่เป็นหันหน้ามีบริวารได้ถึงห้าร้อย เพราะฉะนั้นเธอจะตัดสินใจเพียงองค์คนเดียวนั้นไม่ได้ให้กลับไปปรึกษาพวกบริวารดูก่อนครูเวลากระสปะก็จึงได้กลับมาปรึกษาแล้วก็ได้กล่าวให้บริวารทั้งห้าร้อยซึ่งเป็นชนินด้วยกันนั้นรู้ว่าลทัทธิที่ตนเองกำลังประพฤติอยู่เช่นการบูชาไฟเหล่านี้เป็นต้นเป็นของที่ไราสาระ ไม่เป็นไปเพื่อมรักผลนิพพาน ห, หรือความเป็นพระรหันต์พวกบริวารทั้งหลายก็เห็นด้วยและก็ยอมพร้อมใจกันที่จะมาบทในพุทธศาสนาดังนั้นเมื่อพร้อมใจกันเช่นนั้นแล้วชัดินทั้งห้าร้อยพร้อมทั้ง อ, อุรุเวละกสปะนี้ก็จึงได้ลอยเครื่องบริขารของชัดิน มีหาบมีเตาสำหรับบูชาไฟเหล่านี้เป็นต้นแล้วก็โกนผมปรงหนวดก็คือว่าลอยชดาของตัวเองคือผมที่ขมวดเป็นเซิงหรือว่าเป็นเส้์อยู่บนศรีรษนะนั้นก็โกนทิ้งทั้งพร้อมทั้งคราวนวดโกนหมดแล้วก็ได้นำเอาอออบริขารของชดิ น, นั้นลอยในแม่นะ้ำ ลอยในแม่น้ำเนรันชลาแต่บางท่านได้กล่าวว่าชดินผู้ทั้งห้าอยนี้ได้ลอยอบริขารของชดินนี้ที่แม่น้ำโมหินีแล้วก็ได้เข้ามาทูลขออุปสมบทต่อพระพุทธองค์ พระองค์ก็ทรงอนุญาตให้เป็นพิสุด้วยเอหิพิขุปสมัาพร้อมด้วยกันทั้งหมดทั้งห้าร้อยท่านด้วยกันก็การที่อุรุเวลักษัปปะพร้อมด้วยบริวารห้าร้อยนี้ลอยบริขารของชะ ด, ดินแล้วเข้ามาบทในพุทธศาสนานี้บริขารของชะ ด, ดินนั้นก็ได้ลอยไปตามกระแสน้ำ ได้ลอยไปกระตางกระแสน้านั้นก็ได้ไปลอยผ่านยังอาสมของน้องชายคนกลางซึ่งอยู่ทางใต้แม่น้ำซึ่งอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำในลันชลันเองน้องชายคนกลางนั้นพร้อมทั้งบริวารได้เห็นชินนี้แล้วก็จำได้ทันทีว่าบริขารเหล่านี้เป็นบริขารของชดิมเพราะฉะนั้นคงจะมีเหตุการ หรืออันตรายใดๆเกิดขึ้นแก่พี่ชายของเราเป็นแน่เพราะที่เหนือน้ำนั้นมีสำนักหรือว่าอาสมของจลินนั้นเพียงแห่งเดียวก็คือพี่ชายของตนเองเท่านั้นดังนั้นก็จึงได้พร้อมทั้งบริวารสามร้อยนั้นได้เดินทางจากอาสมของตนเองนั้นมาย่งอาสมของพี่ชายใหญ่ที่ตาบลอุรุเวลาเสนานิคม เอาละท่านนักศึกษาและท่านผู้ฟังทั้งหลายวันนี้ก็ขอจบไวเพียงแค่นี้ก่อนขอความเจริญผาสุขจงมีแด่ท่านนักศึกษาและผู้ฟังทุกท่านด้วยกันขอเจริญพรเจริญสุขท่านผู้ฟังและนักศึกษาทั้งหลายวันนี้ก็มาบรรยายเกี่ยวกับเรื่อง พระภิกษุพู่เป็นฉดินต่อจากเมื่อคราวที่แล้วเมื่อคราวที่แล้วนั้นก็ได้บรรยายมาถึงตอนที่นทีกัสปะฉะดินพร้อมด้วยบริวารสามร้อยได้พบบริขารของฉดินลอยผ่านนาอาสมก็คิดว่าอันตรายคงจะเกิดแก่พี่ชายใหญ่คือท่านอุรุเวลกัสปะแน่ เพราะเหตุที่ว่าเหนือน้มนั้นมีอาสมของฉาดินเพียงสำนักเดียวคือของพี่ชายก็จึงพร้อมด้วยบริวาร น, นั้นเดินทางมาอย่างสำนักของพีพ่ชายที่อุรุเวลาเสนานิคมเมื่อมาแล้วก็พบว่าพี่ชายพร้อมด้วยบริวารทั้งห้าร้อยนั้นกลายเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาไปหมดก็จึงเข้าไปถาม ถึงเหตุการณ์ต่างๆนานาก็ได้รับฟังว่าได้รับฟังจากพี่ชายว่าลัทธิของตนที่เองตนเองถือนั้นเป็นลัทธิที่ไร้ที่ไร้สาระไม่มีสาระใดก็จึงได้ภาละเลิกลทัทธิอันนี้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเสียนณทีกระสปะนั้นเมื่อพี่ชายกล่าวเช่นนั้นแล้วเป็นผู้ที่มีความเคารพในพี่ชายแล้วก็เห็นจริงเห็นจังด้วย ก็จึงพร้อมด้วยบริวาร น, นั้นปรงผมและปลงนวดแล้วก็ลอยเครื่องอัฐบริขารทั้งหมดเข้ามาทูลขอบรรพชาต่อองค์สุเดจพสิมาสมพุติเจ้าพระองค์ก็ได้ประทานอุปสมบทให้ด้วยเอหิภิกขุอุปสมบทาทั้งสามร้อยรูปเช่นเดียวกันการที่พี่ชายทั้งสอง ได้เข้ามาบวชในพุทธศาสนาและก็ลอยบริขารของชจดินนั้นบริขาร น, นั้นก็ได้ลอยผ่านไปเลยไปจนกระทั่งที่ผ่านอาสมของเนาะของชจดินผู้เป็นน้องน้อยคือขยขยะแอกขยากระสปะซึ่งอยู่ที่หัวโคง้งแม่น้ำพญะหรือตัวจังหวัดชายาดนนั่นเองน้องชายพร้อมด้วยบริวารเห็นบริขารของชจดิน ของพี่ชายทั้งสองลอยผ่านมาเช่นนั้นก็มีความคิดเห็นเหมือนกับพี่ชายคนกลางก็คือว่าคงจะมีเหตุการณ์ร้ายอันใดอันหนึ่งเกิดขึ้นแก่พี่ชายทั้งสองคนเป็นแน่ก็จึงได้พาบริวารทั้งสองร้อยท่านดดวยกันนั้นเดินทางมาสู่สำนักของพี่ชายคนกลางก่อนเห็นว่าอาสมของพี่ชายคนกลางนั้นว่างเปล่าไม่มีใครอยู่เลย ก็จึงได้เดินทางต่อมาจนมาถึงสำนักของพี่ชายคนใหญ่คนโตที่ตำบลอุรุเวลาเซนอนิคมมาก็มาพบว่าพี่ชายทั้งสองท่านพร้อมด้วยบริวารทั้งแปดร้อยนั้นบวชเป็นพิกษุในพุทธศาสนา้ะแล้วก็จึงได้เข้าไปเรียนถามพี่ชายทั้งสองว่าเป็นเพราะเหตุอันใด พี่ชายทั้งสองนั้นก็จึงได้เล่าให้ฟังเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วก็จึงได้พูดว่าลัทิของตนที่ตนเองได้กําลังประพฤติปฏิบัตินั้นเป็นสิ่งที่ไร้สาระสู้ละทิในพระพุทธศาสนาไม่ได้ดังนั้นน้องชายคนน้อยก็จึงได้เห็นด้วยก็จึงได้พร้อมกับบริวาปรปลงผมและปลงหนวดแล้วก็ลอยบริขารเขาจะดินลงในแม่น้ําก็จึงได้เข้ามาขออุปสมบท พระองค์ก็ประฐานอุปสมบทให้ทั้งสองร้อยด้วยกันด้วยเอหิภิกขุปุสัมพทาก็เป็นอันว่าในขณะนี้มีภิกษุพูกอดีตเคยเป็นชาวเป็นพระชนินนั้นเข้ามาบวชในพุทธศาสนาถึงหนึ่งพันกับสามองค์ด้วยกันองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้สั่งก็ได้อบรมสั่งสอน พระชนินทั้งพันสามร้อยองค์นั้นจนเห็นว่ามีอินทรีย์แก่กล้าควรที่จะได้รับฟังพระธรรมเทศนาเพื่อมรักผลนิพพานขั้นสูงต่อไปได้แล้วก็จึงได้พาเอาชนินพระชนินทั้งพันสามองค์นั้นมาอย่างตำบล ข, ขยาศรีสัพระเทศ ก็คือที่ตำบลขยาศรีสะประเทศก็คือที่หัวโค้งขยาแม่น้ำขยานั่นเองเข้าใจว่าก็คงจะมายัางอาสมของน้องอัชดินผู้เป็นน้องชายคนสุดท้องคนสุดทองเมื่อพระองค์เสด็จมายัางตำบลขยาศรีสะประเทศแล้วใกล้แม่น้ำขยาแล้วพระองค์ก็ประทับอยู่ที่นั่นพอสมควร เห็นว่าเมื่อพ อ, อพระชนินเหล่านั้นมีอินทรีย์แก่กล้าพอจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาได้แล้วพระองค์ก็ได้ทร ง, งแสดงพระธรรมเทศนาอันว่าถึงเรื่องอาทิตตะปริยยจสุตรอาทิตตะปริย า, า, สายาาสุตรนี้พระสูตรนี้ว่าถึงเรื่องความร้อน เหตุใดองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ตรัสอาทิตตปริยาสุขโปรดชดินพันสามลูกก็เพราะว่าเพื่อต้องการให้ตรงกับอุปนิสัยที่ตนเองในสั่งสมหรือได้ชอบมาก็ชดินสามพี่น้องท่านบริวานี้เมื่อบวชถือเพศเป็นฉดินนั้นได้ถือการบมเพญพบด้วยการบูชาไฟ ไฟเป็นของร้อนเพราะฉะนั้นพระองค์ก็ต้องการเพื่อให้ถูกกับอัธยาศัยของชาดินทั้งสาพี่น้องนี้ก็จึงได้แสดงถึงเรื่องความร้อนให้ฟังเพราะฉะนั้นพระสูตรนี้จึงได้ชื่อว่าอาทิตตะปริย า, าสูตรซึ่งเป็นความร้อนภายในการที่ชาดินบูชาไฟนั้นเป็นความร้อนภายนอกแต่พระองค์ได้ทรงเอาตรัสเอาความร้อนภายในขึ้นแสดงในอาธิตตะปริยายสูตรนี้ พระองค์ทรงยกเอาสิ่งทั้งปวงว่าเป็นของร้อนและอะไรเราเป็นสิ่งทั้งปวงในที่นี้พระองค์ทรงยกเบื้องแรกทรงยกถึงอินทรียอินทรียอินทรียหกประการหรือเรียกยงในยันหนึ่งก็คือว่าอายตนะ เมื่ออาญัตนาขึ้นเป็นของร้อนคือจักษุเป็นของในคือในตานี้เป็นของร้อนรูปก็เป็นของร้อนวิญญาณอันอาศัยจักษุเกิดขึ้นก็เป็นของร้อนสัมผัสหรือผัสสะก็เพราะการที่ตากับรูปถูกต้องกันก็เป็นของร้อนเวทนาที่เกิดจาก จากสุขสัมผัสกับรูปเป็นปัจจัยนั้นคือสุขบ้างทุกบ้างหรือไม่ใช่สุขไม่ได้ทุกบ้างอันนี้ก็เป็นของร้อนเมื่อสรุปแล้วในอาทิตตปรายสูตรนี้พระองค์ทรงยกอายตนะสิบสองประการวิญญาณหก พัทธะหกเวทนาสามเวทนาสามที่เกิดเพราะพัทธะเป็นปัจจัยว่าเป็นของร้อนแล้วก็ร้อนเพราะอะไรร้อนเพราะไฟไฟคือไฟอะไรไฟคือราคะราคะคือความก้มหนักโทสะไฟคือโทสะคือความโกรธแล้วก็ไฟความร้อนเพราะไฟคือโมหะ โมหะคือความลุ่มหลงหรือความไม่รู้แจ้งเห็นจริงและนอกจากนั้นแล้วพระองค์ยังได้ยกขึ้นว่าความร้อนนั้นเกิดขึ้นเพราะความเกิดเป็นปัจจัยคือความเกิดเนี่ยเป็นความร้อนความแก่ความตายความโศกเศร้าพิไลลำพันความลำบากกายความเสียใจความคับแค้นใจของสิ่งเหล่านี้เป็นของร้อนหมด เป็นของร้อนหมดพระองค์ทรงยกขึ้นแสดงในหัวข้อว่าอาทิตตปริ ย, ยสุตนี้ทำไมสิ่งเหล่านี้จึงได้เรียกว่าเป็นของร้อนเมื่อตาเราประทบรูปถ้ารูปนั้นเป็นที่ต้องใจก็เกิดลาคะอันนี้ก็เรียกว่าร้อนด้วยลาคะคือต้องการเกิดความกำหนัดยินดีในรูปนั้น แต่เท่าหาวก็เป็นรูปที่เราไม่ต้องใจเช่นไปตาไปประสบกับคนที่เป็นศัตรูขึ้นก็ร้อนอีกเหมือนกันร้อนเพราะโทสะเพราะความเกลียดความชังความโกรธแต่ทั้งที่เกิดราคะก็ดีที่เกิดโมหะที่เกิดโทสะขึ้นก็ดีเช่นร้อนไปอย่างนั้นร้อนไปเพราะด้วยอํานาจราคะและโทสะนั้นเพราะเหตุที่ว่ามีโมหะผสมอยู่ด้วยคือด้วยอํานาจของโมหะ ึงไม่สามารถพิจารณาได้ตกไปอยู่ในอำนาจของราคะโทสเพราะฉะนั้นสิ่งทั้งบวงนี้เป็นของร้อนทั้งนั้นองค์ทุเดจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในขณะที่สแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องอาทิตปริยายสูตรอยู่นั้นปรากฏว่าจิตของภิกษุทั้งหนึ่งพันสมองค์ผู้เป็นชนินนั้นได้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะไม่ถือมั่นยึดมั่นโดยประการทั้งปวง ก็คือว่าภิกษุทั้งหนึ่งพันสาร้อหนึ่งหนึ่งพันสามองค์นั้นได้บรรลุอัรหัสตบผลเป็นพระขีณาสพคือเป็นพระอรหันต์ขึ้นในโลกพร้อมกันทั้งหมดด้วยการฟังพะทธธรรมเทศนานั้นเมื่อพระสงฆ์สาวกทั้งหนึ่งพันสามองค์นั้นได้เป็นพระอรหันต์หมดแล้วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็ประเสรด็ดประทับอยู่ที่ตำบลขยาศีศัพท์ประเทศนั้นพอสมควรแก่การพระองค์ก็จึงได้พร้อมกับพิสุขหนึ่งพันสามองค์นั้นสเสด็จจารึกไปโดยลาดับจนถึงกรุงราชคลึเพื่อที่จะปรดพระเจ้าพิมิสันพระองค์ก็ได้ประทับพักอยู่ที่นอกเมืองคือประทับอยู่ที่สวนตาลหนุ่มที่เรียกว่ารัฐทิวัน พระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าแผ่นดินแห่งมคฏได้ทรงทราบข่าวนี้จึงได้พร้อมกับข้าราชบริพารและประชาชนทั่วๆ่วไปนั้นสเสด็จไปเฝ้าพระบรมศาสดามีประมาณด้วยกันถึง1ิบสองหน้าหุดหรือว่าสิบสองหมื่นก็ได้สเสด็จเข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระพุทธองค์นั้นทรงสอนพอดพระเนธเห็นข้าราช บ, บริพารของพระเจ้าพิวีสานแล้วมีอาการต่างๆกันยังไม่อ่อนน้อมโดยเรียบร้อยซึ่งยังไม่สมควรที่จะรับพระธรรมเทศนาได้เพราะเหตุที่ว่าบริพารอับริวาร น, นั้นเท่าจะแย ก, แ, ยกแล้วก็เป็นส่วนๆกันคือบางท่านนั้นมาถึงก็ประกาศชื่อเสียงของตนเอง แล้วก็นิ่งเฉยบางท่านนั้นก็เป็นแต่เพียงยกมือไหว้บางท่านนั้นก็ถามถึงความทุกข์สุขบางท่านนั้นก็นิ่งอยู่เฉยๆคืออาการอากับกิริยาแล้วยังไม่มีความอดอน้อมโดยเรียบร้อยพออันนี้เพราะเหตุที่ว่าบริพารทั้งห้าบริพารทั้งหลายเหล่านั้นยังเกิดความลังเลสงสัยอยู่ เพราะว่าได้เห็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับท่านปุรุเวลกัสปะเป็นพระเลยกันโดยยังคิดความสงสัยว่าใครเป็นาศาสตร์ใครเป็นอาจารย์ใครเป็นลูกศิษย์กันแน่เมื่อเกิดความสงสัยอย่างนี้ลังเลนั้นก็ยังไม่ปักใจเชื่อจึงได้แสดงอาการต่างๆองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นทรงทราบถึงวาระจิตหรือความสงสัยของประชาชน ผู้เป็นบริวารพระเจ้าพิมพิสารเช่นนั้นพระองค์ก็จึงได้ตรัสเรียกอุรุเวลกัสปะมาเพื่อต้องการที่จะให้อุรุเวลกัสปะกาสปะนั้นประกาศความจริงให้ปรากฏดังนั้นพระองค์ก็จึงได้ทรงตรัสแก่ตรัสถามแก่พระอุรุเวลกัสปะว่าดูก่อนกัสปะเธออยู่ที่อุรุเวลาประเทศนั้นมานาน เธอเคยเป็นอาจารย์สั่งสอนหมู่ชนินหมู่ชนินนั้นผู้้อมไปด้วยเพราะกำลังแห่งพจน์เธอเห็นเหตุอะไรจึงละการบูชาไฟเสียท่านพระอุลุเวละกษัตริจึงได้กราบทูลว่ายันทั้งหลายกล่าวสรรเสริญผลคือกามาคุณทั้งห้ามีรูปเป็นต้นอันเป็นอารมณ์ที่น่าคร้น่าปรารถนากามาคุณนั้น เป็นมนทินเครื่องเศร้าหมองเหตุนั้นข้าพระองค์จึงไม่ยินดีในการบูชาไฟจึงได้ละทิ้งเสียพระพุทธองค์ก็จึงได้ตรัสถามต่อไปอีกว่าดูก่อนกสะปะก็ใจของเธอไม่ยินดีในอารมณ์เหล่านั้นอันเป็นวัตถุกรรมแล้วใจของเธอยินดีในสิ่งใดเล่ายินดีในเทวโลกหรือมนุสโลกท่านอุรุ ป, ปรเวลากษะปะก็จึงได้กลา่าวทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระพุทธองค์นั้นได้เห็นธรรมอันละงับแล้วไม่มีกิเลสเครื่องเศร้าหมองอันเป็นเหตุก่อทุกข์ไม่มีความกังวลเข้าปัวพันไม่ติดอยู่ในกามมาภพไม่มีความแปรปลวนเป็นอย่างอื่นไม่ใช่ธรรมะที่ผู้อื่นจะพึงทำให้ผู้อื่นรู้ได้ ต่อผู้ทาให้เห็นแจ้งแล้วจึงจะรู้ได้เฉพาะตนเองเหตุนั้นค่าพระพุทธองค์นั้นจึงไม่ได้ยินดีการบูชาไฟซึ่งเคยประพฤติมาเมื่อท่านอุรุเวลกัสปะกราบทูลดังนี้แล้วก็จึงได้ลุกขึ้นจากที่นั่งผมผ้าจีวรเฉวียงบ่าก้อมกราบที่พระบาทของพระพุทธองค์แล้วถอยออกมาพอสมควรก็จึงได้ โลดขึ้นไปในอากาศคือเหาะลอยขึ้นไปในอากาศแล้วก็ลงกลับมากราบที่พระบาทของพระพุทธองค์แล้วก็จึงได้ประกาศว่าพระองค์นั้นเป็นพระบรมศาสดาของข้าพุทธเจ้าข้าพุทธเจ้านั้นเป็นสาวกผู้ฟังคำสอนของพระองค์ท่านพระอูลุเวลกัสปาเนี่ยประกาศเช่นนี้ถึงสองครั้ง นะประกาศเช่นนีส้สองครั้งเพื่อที่จะให้ประชาชนทั้งหลายนั้นได้หลุดได้พ้นความสงสัยเมื่อประชาชนผู้เป็นขราชบริพารของพระเจ้าพิมิสารได้ฟังเช่นนั้นแล้วก็รู้ชัดแนว่ว่าองค์สุเดจพระสมมาสมพุติเจ้านั้นเป็นพระบรมศาสดาส่วนอุรุเวลกัสปะที่ตนเองเคยนับถือมาก่อนนั้นได้ยอมตนมาเป็นลูกศิษย์แล้วก็จึงได้มี ใจน้อมไปในความเคารพต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็มีใจน้อมที่จะฟังพระธรรมเทศนาต่อไปองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเมื่อเห็นประชาชนามีความหมดความสงสัยเห็นประชาชนหมดความสงสัยเช่นนี้ แล้วก็ น, น้อมใจที่จะฟังพระธรรมเทศนาแล้วหายเคลือบแคลงสงสัยแล้วตั้งใจจะฟังพระธรรมเทศนาพระองค์ก็จึงเด่นเริ่มทรงแสดงพระธรรมเทศนาโดยการแสดงอนุปุพ p กถาเป็นการขัดเกลว า, าน้ำใจของเป็นการขัดเจ้าเกา่วใจของพวกบริวารและพระเจ้าพิมพิสารเสียก่อนเพราะเหตุที่ว่ายังไม่เคยสดับหรือว่าไม่เคย ได้รับรู้รถแห่งพระธรรมก่อนและต่อจากนั้นองค์ทุเดจพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าก็ได้ทรงแสดงอริยสัจีพระการซึ่งความจริงพระสธรรมเทศนาการนี้ก็เรียกว่าแสดงมาเรื่อยตั้งแต่เริ่มต้นที่ได้แสดงแก่พระยาศาและก็แสดงมาเป็นประจำในที่สุดแห่งพระสธรรมเทศนานั้น ปรากฏว่าพระเจ้าพิมพิสารพร้อมด้วยขราชบริวาร น, นั้นอีกสิบเอ็ดหมื่นหรือว่าสิบเอ็ดส่วนนั้นได้ดวงตาหินธรรมได้ดวงตาหินธรรมนี้ก็คือว่าได้บรรลุโสดาปฏิผลเป็นพระโสดาบันเป็นผู้มีความเคลือบแคลงสงสัยหมดสิ้นไปในพระพุทธศาสนา เป็นคนทีเ่เป็นผู้ที่เป็นอาจาระสัทธาคือมั่นเลื่อมใสมั่นคงไม่คลอนแคลนในพระพุทธศาสนาต่อไปส่วนอีกส่วนหนึ่งหรือว่าอีกหนึ่งหมื่นนั่นเป็นแต่เพียงวันเลื่อมใสในพ ร, นรนะธัรนไตในพระตนรมไเท่านั้นยังไม่ได้เห็นแจ้งเห็นจริงตามธรรมะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอน เป็นตะเพียงเลื่อมใสในพระรัตนตรยัยดังนั้นทั้งหมดนี้ก็จึงได้แสดงตนเป็นอุบาสกพระเจ้าพิมิสาร น, นั้นพร้อมด้วยบริวารเมื่อได้แสดงตนเป็นอุบาสกแล้วก็ได้กราบทูล น, นิมนต์องค์สุเดระสัมมาสัมพุทธเจ้า พร้อมทั้งบาวพิสุผู้เป็นบริวารคือชนินหนึ่งันสามองค์นั้นเข้าไปสเสวยพระกรยาหารในวันลุงขึ้นในพระราชนิเวศองค์สุเดจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงรับโดยดุจศียภาพคือการนิ่งพระเจ้าพิมพิสารพร้อมด้วยบริวารท่งทราบว่าพระองค์ทรงรับแล้วก็จึงได้กราบนมัสการลาแล้วก็ททำประทักสิง สิ้นสามวาระแล้วก็จึงได้กลับอย่างพนครก่อนนับว่าการที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุท ธ, ธเจ้าได้ปักหลักแห่งพระพุทธศาสนานั้นในแคว้นมคธได้อย่างมั่นคงโดยที่ทำให้พระเจ้าพิมพิสารผู้เป็นกษัตริย์แห่งกงะะรุงราชคลึกยอมรับนับถือเป็นพุทธมามะกะ คือเป็นผู้นับถือพุทธศาสนาในวันรุ่งขึ้นนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าพร้อมโดยบริวาร น, นั้นก็จึงได้สเสด็จไปเสวยพระกยาหารในพระราชนิเวศเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้า เสวยเสร็จแล้วพระเจ้าพิมพิสารนี้ก็จึงได้ทรงถือพระเต้าทองอันเต็มประเด็นน้ำหลังน้ำถวายที่พระหัตถ์ขององค์สุเดชพระสัมมาสมัมพุทธเจา้าโดยถวายพระราชอุทยานที่ชื่อว่าเวรุวันคือป่าไม้ไผ่หรือว่าสวนไม้ไผ่อันเป็นที่อยู่อันเป็นที่ให้เยื่อแก่กระแต ที่เราเรียกกันว่าการันทกามิวาเปนั้นถวายให้เป็นที่อยู่แด่พระพิสุสงมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประมุขโดยที่เหตุที่พระองค์ได้ตรัสว่าบัดนี้พระองค์ไม่สามารถที่จะเวว่างเว้นจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือพระตนตรัยได้สถานที่แห่งพระเวรุวันนี้เป็นสถานที่ไม่ไกลเกินไป จากโคจรละคบและก็ไม่อึกทึกคลึกโครมไปด้วยเสียงต่างๆนานาเป็นสถานที่เหมาะแก่สมณะที่จะบําเพ็ญที่จะบําเ พ, พ็ญพจนหรือบําเพ็ญสมณะอายสมณะธรรมเพราะฉะนั้นเวฬุวันมหาวิหารอันเป็นป่าไม้ไผ่นี้จึงเป็นวัดแรกในพระพุทธศาสนา ซึ่งพระเจ้าพิมพิสารนั้นได้สวายเทวายแด่พระหัตถ์ของพระองค์อันพระพุทธองค์ดังนั้นจึงนับได้ว่าท่านอุรุเวลกัสปะนี้เป็นผู้ที่มีคุณอันยิ่งใหญ่ต่อพระศาสนาเป็นอันมากเพราะเหตุที่ท่านนั่นเองจึงทำให้ประชาชนชาวมคตนั้น ยอมเคารพหรือว่ายอมรับฟังพระสธรรมเทศนาของพระพุทธองค์โดยเคารพท่านพระอุลุเวลกสปานีนอกจากจะเป็นผู้มีความสำคัญในการที่พระพุทธองค์นั้นได้ปักหลักของพุทธศาสนาในาดินแดนของมคฏแล้วยังได้ช่วยทากิจของพระาศาสนาตามสมควรแก่กำลังความสามารถ และก็รู้จักเอาใจบริษัทซึ่งปรากฏว่าท่านมีบริวารซึ่งเป็นพระภิกษุที่เป็นชนินนั้นถึงห้าร้อยท่านด้วยกันก็การที่จะมีบริวารหรือควบคุมปกครองคนได้ถึงห้าร้อยคนได้เชน่นนี้ถึงห้าร้อยท่านได้เชน่นนี้ก็แสดงว่าผู้ปกครองนั้นจะต้องมีอัธยาศัยหมตรีมีความเอือ้อเฟื้อและมีความยุติธรรม จึงเป็นที่เคารพรักของพวกบริวารอาศัยอํานาจเหตุนี้แหละองค์สุเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ยกย่องท่านพระอุลุเวลกัสปะนี้ว่าเป็นเลิศ ก, กว่าพิสูจนทั้งหลายในทางที่มีบริวารมากเพราะฉะนั้นความเป็นบริวารมากนี้ก็จึงได้มีความสําคัญทางหนึ่งเหมือนกันท่านพระอุลุเวลกัสปะ และก็ท่านชั ด, ดินอและก็ท่านนาทีกัสปะขยากัสปะสามพี่น้องนี้ก็ได้เป็นกําลังในพระพุทธศาสนาช่วยประกาศศาสนาธรรมคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ประชาชนทั่วไปที่ยังไม่เลื่อมใสก็ให้เลื่อมใสที่เลื่อมใสแล้วก็ให้เลื่อมใสยิ่งยิ่งขึ้นไปตามสมควรตามความสามารถที่ตนเองได้ แต่ว่าทั้งสามพี่น้องนี้ได้รับยกย่องเพียงพี่ชายใหญ่คนเดียวเท่า น, นั้นส่วนพี่ชายสองท่านพี่ส่วนน้องชายอีกสองท่านแดกกันคือท่านพระนันทีกัสปะเถระและก็พระขยากัสปะเถระไม่ได้รับยกย่องไปเอตถคะทางใดแต่ก็นับเนื่องไวในพระภิกษุผู้เป็นมหาสาวก ค, คืออสิติมหาสาวกท่านทั้งสามนี้ ได้รับใช้ภารกิจในพระพุทธศาสนาอยู่มาจนตามการสมควรก็ดับขันธปรินิพานก็เป็นอันว่าจบประวัติของพระชดผู้ที่เคยเป็นช ด, ดินมาทั้งสามพี่น้องซึ่งมีชื่อว่าอุรุเวลกสปะนาทีกสปะและขยากสปะเพียงแค่นี้ ขอความเจริญผาสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้ฟังและนักศึกษาทุกๆ ท, ท, ท่านด้วยกันขอเจริญพ